วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นเวลาครึ่งหลังของปีครึ่งแรกของปีคือหกเดือนแรกของปีนี้ก็หมได้ผ่านไปแล้วได้หมดไปแล้วเวลานี้ เป็นสิ่งที่ไหลไปอยู่เรื่อยๆเหมือนกับกระแสน้ำ <c oughs> ที่ไหลไปแล้วก็จะไม่ไหลกลับมาอีก6 <c oughs> เดือนแรกของปีนี้จะไม่กลับมาหาเราอีกแล้วมาแล้วมันก็ไปและเดือนนี้อีกไม่นานมันก็จะผ่านไป เวลานี้เป็นสิ่งที่มีทั้งคุณมีทั้งโทษโทษของเวลาคืออะไรเวลาท่านเปรียบว่าเหมือนกับเป็นงูยักษ์งูใหญ่ที่จะกลืน ส, รรสัตว์ประสรรฐสัตว์รสททั้งหลายให้หมดไปร่างกายของสัตว์ทุกคนทุกตัว สิ่งของต่างๆที่ตั้งอยู่บนโลกนี้วันเวลาก็จะค่อยๆกลืนกินมันไปจนหายไปหมดนี่คือโทษของเวลาที่มีต่อสรรพสัตว์กับสรรพสิ่งทั้งหลายส่วนคุณของเวลานี้ก็อยู่ผู้ที่รู้จากการใช้เวลา ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์หรือไม่ถ้ารู้จักใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลถ้าไม่รู้จักใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปโดยไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ก็จะไม่ได้ รับคุณประโยชน์จากเวลาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับ ใจิตใจของเราหรือว่าเราไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์อะไรหรือสร้างโทษสร้างโทษสร้างทุกข์สร้างความเลวร้ายทั้งหลายให้แก่ใจิตใจของพวกเราเราต้องคอยมันถามตัวเราเองอยู่เรื่อยเพื่อเราจะได้ไม่หลงเืม ว, ว่า ชีวิตของเรานี้จะถอยจะถูกกืนกินด้วยเวลาไปทีละเล็กทีละน้อยและจะสิ้นสุดลงได้ทุกเวลาไม่มีใครสามารถกําหนดชีวิตของตัเองได้ว่าจะอยู่ถึงวันไหนจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ถึงเดือนหน้าหรือไม่ถึงปีหน้าหรือไม่หรือ ถึงสิบปีข้างหน้าหรือไม่นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปกาหนดรู้ได้จึงไม่ควรประมาทอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ไหลผ่านไปโดยไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่เวลาคืนกินไม่ได้ จิตใจนี้อยู่เหนือการเวลาเป็นอากาลิโกแต่จิตใจนี้ต้องอาศัยร่างกายเป็นผู้ที่สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับจิตใจด้วยการกระทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลาย ทู่ได้ตักตวงประโยชน์อันมหาศาลให้แก่จิตใจจากเวลาที่ท่านได้รับในชีวิตของท่านท่านไม่ปล่อยเวลาอันมีค่านั้นให้หมดไปกับเรื่องร้อยสาระเรื่องที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับจิตใจทรงทุ่มเทเวลาชีวิตของท่าน สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิตจิตใจของท่านตลอดเวลาจึงทำให้จิตใ จ, จของท่านนั้นมีคุณมีประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะตรวจสอบตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไป เรากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเสียงทำสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับจิตใจหรือกำลังทำสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับกิเลสตัณหากับข้าศึกศัตรูของจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอย ต, วตรวจตาดูอยู่เรื่อยๆและการจะ ต, วตรวจตาดูว่าเราทำสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกนั้น เราก็ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรฐานวัดการกระทาของเราว่าเรากำลังสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับจิตใจของเราหรือไม่สิ่งที่พูะเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทาที่เราสามารถยึดมาเป็นมาตรฐานในการกระทาที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของเรานี้ ก็คือบุญกุศล ส, สิบประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราได้ศึกษาได้รู้จากการกระทําเหล่านี้เมื่อได้รู้แล้วก็ให้กระทําการกระทําเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจนสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจ จนถึงขั้นสูงสุด <Yeah. S 1> บุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันทำกันอย่างสม่ำเสมอในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ข้อ <Yeah. S 1> แรกก็เรียกว่าทานท <Yeah. S 1> านคือการให้ <Yeah. S 1> ให้สิ่งที่เรามีอยู่ <Yeah. S 1> สิ่งที่เราไม่มีความจำเป็น <Yeah. S 1> ที่จะต้องเก็บเอาไว้ใช้ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ไม่มีประโยชน์ให้เราเสียสละแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไปเป็นการสร้างประโยชน์อย่างหนึ่งให้กับใจข้อสองให้เรารักษาศีลศีล น, นี้คือการละเว้นการกระทาบาปห้าข้อได้แก่การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ พูดผิดประเวณีพูดปดเหลือมสุรายาเมาเป็นการกระทำที่จะเกิดโทษกับจิตใจไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่ถ้าละเว้นจากการกระทำบาปได้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นคุณประโยชน์กับจิตใจเพราะจะป้องกันถ้าไม่ให้จิตใจตกต่ำไปสู่ระดับของอบาย ของการไปเกิดในภพภูมิที่ไม่น่าปาฏนาไปกันพบของเดลฉานพบของเปรตพบของอสุรกายพบของนรกถ้าไม่รักษาศี่ห้านี้จิตใจก็จะต้องตกต่งไปสู่ภพต่างๆเหล่านี้อย่างแน่นอนถ้ารักษาศี่ห้าได้ก็จะไม่ตกต่ำ ไม่ต้องไปเกิดนาบายข้อสาคือการภาวนาการภาวนานี้แปลว่าการยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นจิตใจของพวกเรานี้สามารถสูงขึ้นสูงได้และสามารถลงต่ำได้ศีลนี้ป้องกันไม่ให้ลงต่ํากว่าระดับของมนุษย์ ถ้าพวกเรานี้รักรักษาศีหน้าได้จิตใจของพวกเราจะอยู่ในระดับของมนุษย์จะไม่ตกลงไปต่ำกว่ามนุษย์คือจะไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นอสุรกายไม่ไปตกนรกอย่างแน่นอนส่วนการภาวนาเนี้เป็นการยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้น ทานกับศีลทานก็เป็นการยกระดับของจิตใจการทำบุญทำทานจะยกระดับของจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของเทพชั้นต่างๆทำบุญมากทำบุญน้อยก็จะขึ้นสู่ระดับเทพที่สูงขึ้นสวรรค์ที่สูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นการทำทานควบคู่กับการรักษาศีล ก็จะยกระดับของจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของเทพซึ่งมีอยู่หกหกระดับด้วยกันแล้วถ้าต้องการที่จะยกระดับของจิตใจให้สูงกว่าระดับเทพพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บำเพ็ญจิตตะภาวนาพัฒนายกระดับจิตใจให้เหนือกว่าระดับเทพ การทําบุญทําทานการรักษาศีลนี้ยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปแค่ระดับเทพเท่านั้นจะขึ้นไปสู่ระดับพรหมและระดับพระอริยะบุคคล น, นี้ไม่ได้ถ้าปรารถนาการที่จะไปเป็นพรหมซึ่งมีอยู่สองระดับด้วยกันคือรูปประภมกับอรูปประภมที่มีความสุขมากกว่าความสุขของ ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพผู้บำเพ็นก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มการปฏิบัติคือการภาวนาที่เรียกว่าสมถะภาวนาและการรักษาศีลแปลคือเนคขมะการยุติการแสวงหาความสุขจากกามคุณทังห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสผธพะชนิดต่างๆอันนี้เป็นความสุขของระดับเทพของระดับมนุษย์ถ้าอยากจะได้รับความสุขที่สูงกว่าระดับเทพระดับมนุษย์ก็ต้องถือศีลแปกันละเว้นการเสพการมกคุณทั้งห้าศีลแปนี้ก็จะเพิ่มจะเปลี่ยนศีลข้อสาม ที่เป็นกาเมสุวิชาจาราคือการไม่ประพฤติผิดประเวณีนี้มาเป็นอ布รมจาริยาเวรามณีคือการไม่ร่วมหลับนอนกันไม่เสพไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ให้หาความสดจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของผู้อื่นนั่นเอง แล้วก็ไม่ให้รับประทานมากอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายหรือไม่ให้รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานการดื่มอาหารดื่มรับประทานอาหารเป็นเหมือนกับการรับประทานยากินพอต่อความต้องการเพื่อประทังชีวิตของร่างกายก็พอไม่ให้หาแสวงหาความสุขจาก รสชาติของอาหารไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานการดื่มอาหารต่างๆเพื่อที่จะได้ป้องกันนิวรณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นเวลาที่บำเพ็ญจิตตภาวนาคือความง่วงเหงาหานอนและความเกลียดครานนั่นเองถ้ารับประทานอาหารมากๆแล้วอยากจะมีความรู้สึก อยากจะหลับจะนอนอยากจะพักผ่อนไม่อยากที่จะปฏิบัติธรรมไม่อยากจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินก็หาวนั่งก็หาวนี่เป็นสาเหตุเพราะรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรรับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วสำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะยกระดับจิตใจ ให้สูงเข้าสู่ระดับของโพรหมโลกต้องถือศีลแปศีลเจ็ดก็คือไม่ให้แสวงหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายร้องรำทำเพลงดูภาพยนตร์ฟังเพลงแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆพร้อมกับการเสริมสวยความงามของร่างกาย ไม่ให้เสพความางามของร่างกายทั้งของตนเองและของผู้ <Yeah. S 1> เพราะจะทําให้ไม่มีเวลาที่จะมาบําเพ็ญสมถภาวนานั่นเองไม่มีเวลาที่จะมายกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงขึ้นได้ถ้ามัวแต่เอาเวลาไปเสพการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะ <Yeah. S 1> แล้วข้อที่แปดก็ ไม่ให้นอนบนที่นที่นอนที่สุขที่สบายมากเกินไปไม่ให้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆเตียงสำราญเตียงที่จะให้ความสุขต่อการหลับการนอนเพราะจะทําให้นอนมากเกินไปนั่นเองธรรมดานี้ร่างกายเวลาเหน็ดเหนื่อยต้องการพักผ่อนนี้พักผ่อนเพียงห้าหกชั่วโมงหรือสี่ห้าชั่วโมงนี่ก็พอเพียง ตอความต้องการของร่างกายแต่ถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆฟุกหนาๆนาที่สบายหลังจากที่ร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วได้รับได้พักผ่อนพอเพียงแล้วตื่นขึ้นมาแต่เนื่องจากเตียงที่นอนมันแสนจะสบายแสนจะสุดก็จะทำให้ไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงด้วยกัน จึงสงสอนให้อย่านอนบนเตียงที่มีความสุขหรือนั่งบนที่นั่งที่มีความสุขความสบายเพราะจะทำให้เกียรติคร้านจะไม่อยากปฏิบัติธรรมถ้านอนบนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อนี่ยเวลาล่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาจิตก็จะไม่อยากจะนอนต่อ เพราะมันไม่สุขไม่สบายนั่นเองก็จะได้ลุกขึ้นมาบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ต่อไปนั่นเอง<ม>นี่นีคือสิ่งที่จะสนับสนุนในการภาวนาในการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น<ม>คือต้องบำเพญ็ญซื่อศีลเนคขมะมคือการละเว้นจากการเสพกามากุลทั้งห้า ด้วยการถือศีลแปดแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรไปปลิกวิเวกไม่ควรอยู่ใกล้กับบุคคลต่างๆหรือไม่ควรอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงต่างๆเพราะเวลาได้สัมผัสกับแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้จะทําให้เกิดอารมณ์อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาแล้วจะทําให้จิตใจนี้ฟุ้งซ่าน ทำให้ยากต่อการบำเพ็ญจิตภาวนาได้นั่นเองนั่นผู้บำเพ็ญต้องการที่จะภาวนาต้องการที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปนี้จึงจำเป็นต้องไปปีกเว้ยไปอยู่สถานที่ที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐาชชนิดต่างๆเพื่อจะได้ ไม่มีอะไรมาลบกวนการเจริญสติเมื่อถือศีลในข ม, มาแล้วไปปิดวิเวกแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อมาเพื่อที่จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับพรหมโลกก็คือต้องมีการเจริญสติต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดตุงแต่งไปกับเรื่องต่างๆนาน า, นา เพราะถ้าจิตไม่หยุดคิดปรุงแต่งจิตจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เมื่อไม่เข้าสู่ความสงบก็จะไม่สามารถเข้าสู่พรหมโลกได้พรหมโลกก็คือความสงบของจิตนี่ที่จะสงบได้ด้วยการหมั่นเจริญสติอย่างต่อเนื่องต้องทำตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาทำไปทั้งวัน ถ้าไปปลีกวิเวกแล้วก็จะทําง่ายเพราะไม่มีอะไรมาคอยกระตุ้นกระตุกให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่มีเสียงให้ดึงไปคิดไม่มีรูปให้ดึงไปคิดไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรมาดึงให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้ก็จะทําให้การควบคุมความคิดนี้ง่ายขึ้นควบคุมให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไป ก็ได้การใช้สตินี้มีหลากหลายวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบกรรมฐาน4ี่สิบนี้เป็นวิธีเจริญสติต่างๆแต่ที่เราใช้กันทั่วไปที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเบื้องต้นนี้ก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันคือหนึ่งการบริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้บริการพุโทโธไปเพื่อสกัดความคิดที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้หรืออีกวิธีหนึ่งก็ให้เฝ้าดูการกระทําของร่างกายตลอดเวลาว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังรับประทานอาหารกําลังอาบน้ํากําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังเดินจงกรมกําลังทําความสะอาดซักเสื้อผ้า กวาดบ้านถือบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรนี้ให้จดจ่อเฝ้าดูการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนสแสดงว่าไม่ได้เฝ้าดูร่างกายแล้วเฝ้าดูก็เหมือนกับไม่ได้เฝ้าเพราะว่าไม่ได้เฝ้าอย่างเต็มที่นั่นเองเฝ้าแบบครึ่ ง, ง, งครึกลางๆ เฝแล้วก็แวบไปคิดถึงเรื่องนั้นววบถึงเรื่องนี้บางทีลืมไปเลยว่ากําลังทําอะไรอยู่ทําแบบทําแบบขุ่นยนทําเสร็จแล้วบางทีก็ยังจําไม่ได้ว่าทําไปแล้วหรือยังนี่คือลักษณะของการไม่มีสติก็แสดงว่าไม่สามารถควบคุมความคิดให้นิ่งเฉยได้ถ้ายังไม่สามารถควบคุมความคิดให้อยู่กับ การกระทำของร่างกายหรืออยู่กับพุโทโธได้เวลานั่งสมาธินี้จะไม่นิ่งจิตจะยังคิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าสามารถควบคุมให้จิตหยุดคิดหรือให้คิดอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายได้เวลามานั่งสมาธิจําเป็นเวลานั่งสมาธิจิตก็จะไม่คิดปรุงแต่ง จิตก็จะจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาหรือกรรมฐานถ้าเราใช้พุโทโธเราก็สามารถบริกรรมพุโทโธต่อได้โดยไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ใช้คำบริกรรมพุโทโธเพียงคาเดียวนี่แหละให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธไปอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ การรวมของคาบริกรรมนี้บางทีก็จะเหมือนกับตกหุมตกบอก่อจะวูบลงไปแล้วก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะ เ, งงเย็นสบายตอนนั้นพุทธโธก็สามารถไม่ต้องบริกรรมได้มันจะหยุดไปเอง<ช>เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ความเย็นความสบายเหลือแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขทื่นที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงก็คือรสของความสงบนี่เองนัติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีต่อให้ได้ความสุขจากการได้รับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับรางวัลต่างๆได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็ตาม ความสุขเหล่านี้เมื่อมาเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินเลยทีเดียวผู้ใดถ้าลองได้เข้าถึงความสุขนี้แล้วจะเกิดความยินดีจะไม่อยากจะหาความสุขอย่างอื่นอีกต่อไปเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าเราขับรถเก่าๆอยู่แล้วเราได้รถใหม่รถที่มีราคาที่แพงที่สุดในโลกนี้ พอเราได้รถใหม่แล้วเทนี้รถเก่านี้เราจะไม่สนใจเลยเราจะยกให้คนอื่นไปได้ฉัในใดผู้ที่ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบน้านี้จะไม่สนใจกับความสุขในรูปแบบอื่นที่เคยได้เสพได้สัมผัสมายินดีที่จะยกให้ผู้อื่นไปทั้งหมดเลยยินดีที่จะยกสามีภรรยาให้กับผู้อื่นไป ยินดีที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้ไปเหมือนกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้ที่ได้เสพได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสนุกในขณะที่ทรงพระชนเยาวไวในขณะที่ประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้โคนต้นไม้อยู่วันหนึ่งวันนั้นเป็นเวลาที่ข้าราชบริพาร มีภารกิจอย่างอื่นต้องไปกระทาจึงไม่ได้อยู่ห้อมร้อมคอยเฝ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะปล่อยให้ใจเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตามลำพังซึ่งพอร่างกายของเจ้าชายยุดอยู่ท่ามกลางความสงบสงัดคือได้ปีกวิเวกโดยโดยอัตโนมัติพระทยของพระองค์ที่เคยบาเพ็ญมาในอดีตที่เคยได้รับความสงบมาแล้ว ก็จะปรากฏขึ้นมา ท, ทันทีปรากฏความสงบให้กับเจ้าชายสิทธัตถะได้เสพได้สัมผัสจึงทำให้เจ้าชายสิทธัตถานี้มีความยินดีและมีความปรารถนาที่อยากจะเสกสัมผัสกับความสุขแบบนี้ด้วยมาจนถึงเวลาที่พระองค์เห็นว่าสมควรที่จะต้องไป ทำภารกิจนี้ต่อคือไปสร้างความสุขที่เกิดจากเ้าาความสงบนี้ต่อพระองค์ก็ยินดีสะละราชสมบัติไปสละภรรยาสละลูกไปเนื่องจากว่าทรงได้ไปเห็นเทวทูตสี่ที่มากระตุน้นมากระเตมาเตือนพระทัยของพระองค์ว่าวันเวลามันผ่านไปผ่านไป สังขารร่างกายมันจะค่อยๆแก่ลงไปออกไปครั้งแรกไปชมชีวิตภายนอกของวังก็ไปเห็นค น, คนแก่คนชราเดินหลังข้อมมาถือไม้เท้าก็ไม่ทราบว่าเป็นเป็นคนที่เคยมีความแข็งแรงเหมือนตอนที่เป็นพระ อ, องค์เป็นอยู่ตอนที่เป็นหนุ่ม พอถามหมหาเล็กมหาเล็กก็บอกว่าก็เป็นคนเหมือนพระ อ, องค์นี่แหละพระ อ, องค์ต่อไปก็ต้องเป็นแบบนี้เมื่อถึงเวลาแก่เข้าไปก็จะต้องกลายเป็นคนแก่หลังคล่อมไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะทําอะไรได้เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วพอเดินไประยะหนึ่งก็ไปเห็นคนนอนอยู่หน้าบ้านร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด ก็สงถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรมาแล้วก็ตอบว่าเขาไม่สบายเขาอาพาสเป็นโรคภัยไข้เจ็บซึ่งพระ อ, องค์เองก็จะต้องเป็นในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้พอเดินไปอีกเสวยญาหนึ่งก็ได้เห็นมีขบวนแห่ศพยกร่างคนตายเพื่อที่จะไปชาปนกิจก็ถามว่าเขาทาอะไร ก็ <G ül üş> ได้คำตอบว่าเขาเอาร่างกายของคนที่ตายแล้วนี้ไปเผาร่างกายของทุกคนรวมทั้งของพระองค์เองก็จะต้องตายในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแล้วพอเดินไปสักระยะหนึ่งก็ไปเห็นชายที่แต่งกายไม่เหมือนกับคนทั่วไปเป็นนักบวช ก็ถามมหาเลยาว่าคนนี้เขาเป็นอะไรก็ถึงแต่งกายแบบนี้ก็บอกว่าตอบว่าเขาเป็นนักบวชเขาเป็นผู้ที่แสวงหาทางหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเป็นผู้ที่แสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจพอพระองค์ได้ทรงเห็นเทวทูตสี่ก็เข้าใจความหมายว่า พระ อ, องค์จะต้องทำอะไรต่อไปพอได้จังหวะคืนที่พระเมหสีประสูตรราชโอรสออกมาพอได้ทราบข่าวว่าพระเมหสีได้คลอดลูกแล้วก็ทรงอุทานออกมาทันทีว่าราหุลราหุล น, นี้มหาเล็กคิดว่าพระ อ, องค์ทรงตั้งชื่อพระโอรสว่าราหุลแต่ความจริงคำว่าราหุล น, นี้แปลว่าบ่วง บ่วงที่จะร้อยรัดพอ่อพอให้ติดอยู่กับลูกเพราะความผูกพันเพราะความรักความผูกพันของพ่อแม่ที่มีต่อลูกจะไม่ยอมทิ้งลูกจะต้องเลี้ยงดูลูกขึ้นมานั่นเองพอทรงได้เพียงแต่ยินข่าวยังไม่เห็นตัวลูกก็รู้แล้วว่าต้องไปแล้วในคืนนั้นและต้องไม่ไปดูลูกด้วยไม่ต้องไปเห็นหน้าลูกเพราะถ้าไปเห็นแล้วจะทาให ก่อความผูกพันขึ้นมาทันทีพระองค์ก็เลยยินดีที่จะสละความสุขแบบเดิมๆที่เคยมีอยู่เพราะรู้ว่ามันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเมื่อถึงตอนที่ร่างกายมีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความตายนั่นเองก็เลยทรงสละความสุขแบบเดิมไปเพื่อไปแสวงหาความสุขแบบใหม่ ที่เคยได้เสพสัมผัสในตอนที่เป็นอตอนที่ยังเป็นเด็กทรงยาววัยอยู่แต่ความจำของความสุขนี้มันไม่ลืมเลือนไปจากใจเลยจึงทำให้พระองค์ทรงมุ่ง ม, มั่นเพื่อที่จะไปหาความสุขแบบนี้ต่อไปด้วยการไปบวชแล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมจนในที่สุดก็ได้พบกับความสุขที่เกิดจากการเจริญ สมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่คือการเจริญสมถภาวนาถ้าทำจิตให้รวมเข้าสู่ระดับ ฌานสี่ได้รูปฌปานสี่ก็จะได้สวรรค์ชั้นรูปประพมแล้วถ้าบำเพ็ญต่อไปเจริญสติต่อไปก็จะสามารถเข้าสู่ฌานระดับอรูปประพมได้ถ้าเข้าสู่อรูปประพมได้จิตก็จะเข้าสู่สวรรค์ระดับอรูปประพมที่มีความสุขและมีความละเอียดมากกว่าสวรรค์ของระดับรูปประพรม น, นี่คือการยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นด้วยการเจริญส ม, มถภาวนาคือการฝึกสมาธินี่เองจะได้สองระดับได้รูปประชานกาับรูปปัจานแล้วก็เวลาเวลาร่างกายตายไปจิตที่ได้รูปประชานก็จะไปสู่รูปปฐมไปอยู่สวรรค์รู ป, ปรูปปฐม ถ้าได้อารูปฌานก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นอารูปอรุปปส่วนผู้ที่ได้ทานได้ได้ทำทานได้รักษาศีลเวลาร่างกายตายไปก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพผู้ที่ไม่ได้ทำทานมีแต่รักษาศีลก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นพรหมก็ดีชั้นเทพก็ดีหรือการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีนี้ก็มีความสิ้นสุดลงคือเป็นของชั่วคราวไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมพอสมาธิหมดกาลังลงก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพหรือเลือเล่อนลงมาสู่การมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นเทพพอบุญที่ส่งไปหมดกำลังลงก็จะเลื่อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกอยังจะต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดถ้าบาเพ็ญเพียงแต่ทานศีลแล้วก็สมถะภาวนาอ๋อถือว่าเป็นการบาเพ็ญอยู่ในระดับของโลกียะคา ว, ว่าโลกยะก็คือโลกของการเวียนว่าตายเกิดน ถ้าบำเพ็ญบุญบุญเหล่านี้ไม่ ว, ว่าจะเป็นการทําทานรักษาศีลหรือการเจริญสมถะภาวนานี้ยังจะจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกเรื่อยๆแต่ถ้าอยากจะออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จาเป็นที่จะต้องเจริญการปฏิบัติอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนา คือการเจริญโลกุตระธรรมโลกุตลธรรมก็คือธรรมเหนือโลกที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเองหรืออริยภูมิอริยทรัพย์ได้แก่โสดาบโสดาสกิร ด, ดาคาอนาคาและอรหันต์นี่คือสี่ระดับของโลกุตลธรรมเป็นธรรมที่จะทำให้จิตนี้ กลับมาเวียนว่ายตายเกิดน้อยลงไปตามลาดับเช่นถ้าได้ระดับแรกคือระดับโสดาบันจิตก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติถ้าได้ระดับสกิรดาคามีก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวถ้าได้อนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์ของเทวดาต่อไป แต่จะไปเกิดบนพบของรูปภปิอยู่สวรรค์ชั้นสุดทาวาสแล้วก็จะบำเพ็ญต่อไปจนออกจากออ ก, ออกจากอรูปภพไปไปสู่นิพพานเป็นพาาาระอรหันในที่สุดอันนี้ต้องบำเพ็ญขั้นสุดท้ายคือขั้นวิปัสสนาในการจะบำเพ็ญขั้นวิปัสสนาได้นี้ ต้องทาตามขั้นตอนไม่สามารถเลือกเอาว่าตอนนี้อยากจะไปนิพพานเลยขอบำเพ็ญแต่วิปัสสนาอย่างเดียวโดยที่ไม่มีกำลังที่จะบำเพ็ญสมถะภาวนาหรือไม่สามารถรักษาเนื้อมมะคือศีลแปดได้ถ้าไม่ทาตามขั้นตามตอนนี้จะไม่มีกำลังพอที่จะเจริญวิปัสสนาได้ที่จะทําให้จิตนี้ เข้าสู่โลกุตตะธรรมได้คือทำเหนือโลกได้จาเป็นจะต้องมีการสนับสนุนเป็นเหมือนขั้นบันไดการจะก้าวจากขั้นแรกไปสู่ขั้นที่สี่เลยนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายต้องขึ้นจากขั้นหนึ่งไปขั้นที่สองขั้นที่สองไปขั้นที่สามขั้นที่สี่ตามลำดับดั <Yeah. S 1> งนั้นผู้ปฏิบัติต้องใจยเย็น แต่อาจจะถามว่าทำไมสมัยพุทธกาลจึงมีผู้ที่สามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยเพราะบุคคลที่ฟังธรรมอยู่นั้นเป็นบุคคลที่ได้ผ่านขั้นต่างๆมาแล้วได้ผ่านขั้นศีลขั้นเนฆะขมะได้ผ่านขั้นฌานมาแล้วมีความพร้อมจิตมีความพร้อมมีพลังที่จะยกระดับจิตให้ออกจากโล ก, กียะ ได้ออกจากโลกแห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ด้วยการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆดังนั้นผู้บำเพ็ญจะต้องรู้ฐานะของตอนมาตอ น, ตอนนี้ตนเองทำอะไรได้บ้างทำทานเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่ไม่จำเป็นที่ต้องเก็บเอาไว้ได้หรือไม่ อย่าไปหาเงินหาทองมาเพื่อมาทำบุญทำทานอันนี้ไม่ใช่เป็นแนวทางของการทำทานเพราะว่ามันจะวนอยู่ในอ่างจะเสียเวลาเสียเวลากับการไปหาเงินมาเพื่อเอาเงินมาทำบุญมันก็จะไปไม่ถึงไหนกันอันนี้ต้องการให้ผู้ที่มีเงินมีทองแล้วนี้เปลี่ยนวิธีการใช้เงินต่างหาก แทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขจากการมคุณทั้งห้าจากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยของแพงแพงของหรูหราของที่ไม่จำเป็น่าต้องซื้อนี้อย่าไปซื้อของแบบนี้เพราะว่าเป็นการสร้างภพสร้างชาตินั่นเองสร้างเพราะทำด้วยกิเลสตัณหาความอยากอยากหาความสุขจากของแพงแพงของหรูหราของสวยสวยงา ม, งามต่าง ซึ่งเป็นความสุขปลอมเป็นเหมือนยาเสพติดจะทำให้ติดจะทำให้ต้องเสียเวลากับการไปลิ้นลนหาเงิ น, ห า, งนหาทองมาหามาได้มากได้น้อยก็เอามาใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆก็จะทำให้ติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการหากับการใช้เงินนี่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดโอกาสที่จะไปยกระดับจิตให้สูงขึ้นให้เท่าสู่ระดับ ทำกันต่างๆนี้ก็จะไม่สามารถเป็นไปได้จะจะอระพุธเจ้าจึงสอนให้สําหรับผู้ที่ร่ำรวยผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นี้เอาเงินที่เหลือกินเหลือใช้นี้ไปทําบุญทําทานดีกว่าเป็นการซื้อความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ปราศจากโทษเพราะทําให้ไม่ติดไม่เป็นเหมือนยาเสพติดการทําบุญทําทานนี้เป็นเหมือนการให้อาหารให้กับจิตใจ ทำให้จิตใจนี้มีความอิ่มมีความสุขมีความพอจะทำให้ไม่หิวโหยกับการไปหาความสุขจากการรมคุณทั้งห้าไม่มีความอยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้อของแพงๆไปเที่ยวไปกินไปอยู่ที่หรูหราที่แพงๆต่างๆ mm hmm. ก็จะทาให้ไม่ต้องดิ้นนนลไปหาเงินหาทอง mm hmm. ก็จะทำให้สามารถ รักษาศีลได้ด้วยเพราะผู้ที่ทําบุญทําทานนี้จะมีความเมตตาจะไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ความสุขกับผู้อื่นการกระทําใดๆที่ทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายจะไม่กระทําอย่างเด็ดขาดก็เลยจะทําให้มีศีลห้าขึ้นมาโดยอัตโนมัติสําหรับผู้ที่ทําบุญทําทานเพื่อความสุขของผู้อื่นเพื่อให้ความสุขแก่ผู้อื่น แล้วก็ให้ความสุขกับตนเองด้วยเป็นเป็นการยิงนกสองยิงนกกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวตนเองผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็จะมีความสุขแล้วทําให้ผู้ให้นี้จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นจะทําให้รักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปด ไม่ดื่มสุรายาเมาแล้วก็จะทำให้มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปเพราะเมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินมากๆก็ไม่รู้จะเอาเวลาไปทำอะไรก็เอาเวลาไปภาวนาไปเจริญไปยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเป็นเทพแล้วทีนี้ก็ยกระดับให้ไปเป็นพรหมด้วยการเจริญส ม, มถะภาวนา พอได้เป็นพรหมแล้วถ้าอยากจะไปสู่ระดับอริยภูมิไปสู่ระดับโลกุตระเป็นการไปแล้วไม่กลับนี่ก็ต้องเจริญวิปัสสนาด้วยการศึกษาพระธรรมที่จะเป็นผู้ที่จะมาตัดเหตุที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่มีวันสิ้นสุดก็คือไปศึกษาพระอริยสัจสี่ ไปศึกษาไตรลักษณ์ถ้ารู้จากอริยสัจสี่รู้จากไตรลักษณ์ก็จะสามารถกำจัดต้นเหตุที่คอยดึงจิตให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆได้ให้หมดไปได้เพราะอริยสัจสี่จะบอกว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากตัณหาความอยากความอยากสามข้อด้วยกัน ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีเรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้าละการเสกกรรมได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามะพกกามะพกก็คือพบของเทวดาและพบของมนุษย์ และพบของสัตว์เวลาช้าของเป็ดอสุรกายนรกผู้ที่ละ ก, กามาตัญหาได้ต่ละ ก, ก็ต้องละด้วยศีลสมาธิปัญญานี่ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาซึ่งละมาได้แล้วสามระดับทำทานแล้วรักษาศีลแล้วได้สมถะภาวนาแล้วพอได้ปัญญารู้สาเหตุของการกลับมาวินว่ายตายเกิดในตายพบ ว่าเกิดจากอะไรการมาเกิดในการมาพบก็เกิดจากกามาตหาก็หยุดกามาตหาไปด้วยการเห็นว่าความสุขที่ได้จากกามนี้เป็นอนิจจ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วไดมาแล้วก็หมดไปเวลาความสุขที่ได้จากกามหมดไปความทุกข์ความหงุดหงิดลำคาญใจก็โผล่ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องของการเสพกาม ก็อย่าไปเสพมันเสียเพราะมันไม่ได้ให้ความสุขเพงอย่างเดียวมันจะให้ความทุกข์เวลาที่เกิดการไม่สามารถที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสได้ต้องเห็นต้องเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในรูปเสียงกลิ่นรสผละภะว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้บางทีรูป ที่เคยให้ความสุขมันก็กลายเป็นรูปที่ให้ความทุกข์กับเราได้รูปมันเปลี่ยนได้คนมันเปลี่ยนได้คนตอนนี้รูปร่างหน้าตาดีวันพรุ่งนี้อาจจะเกิดหน้าตาบูดเบี้ยวขึ้นมาจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ความสุขที่ได้จากรูปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีให้เราพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ ไปห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้พอมันเปลี่ยนมันเสื่อมมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นเองนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์เพื่อจะได้นั้งับความอยากในกามในกามในรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราละ ก, กามได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมพบอีกต่อไปแต่เรายังจะไปเกิดใน รูปภพกับอรูปภพสาเหตุที่พาให้เราไปเกิดในรูปภพก็คื อ, อความยินดีในรูปฌานที่เราเรียกว่าภาวะตัณหานี่การยินดีในรูปฌานนี้คือภาวะตัณหาเวลาเรานั่งสมาธิหาความสุขจากความสงบนี้เรากําลังเจริญภาวะตัณหาแต่เป็นความสุขที่ไม่มีโทษแต่ ถ้าถึงระดับนี้แล้วมันจะมีโทษตรงที่ว่ามันจะทำให้เราติดอยู่ในตายภพต่อไปเราไม่สามารถออกจากตายภพได้ถ้าเรายังติดอยู่ในรูปฌปานพอถึงตอนนั้นแล้วเราก็ต้องสละรูปฌปานไปไม่หาความสุขจากรูปฌปานละภาวะตัณหาถ้าเราละได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดในรูปรูปภพอีกต่อไปเราก็จะไปติดอยู่ในอรูปภพ อรูปภพก็คือความยินดีในอรูปประชานเราก็ต้องละความยินดีในรูปประชานเช่นเดียวกันพอเราพิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงเวลาเข้าฌานก็มีความสุขเวลาออกจากความออกจากฌานมาความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับรูปประชานหรืออรูปประชานก็เลิก หาความสุขจากรูปฌานหรือรูประชานปปพอเราละได้ทั้งรูปฌานหรือรูปประชานเราก็จะเข้าสู่ความว่างของพระนิพพานทันทีความว่างของใจที่ปราศจากตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาละวิภาวะตัณหานี่คือบุญที่พู้เจ้าทรงสอนให้พวกเราบำเพ็ญกันบุญนี้นอกจาก สข้อใหญ่นี้แล้วยังมีข้อเสริมที่เราควรที่จะทำตามโอกาสเช่นข้อต่อมาก็คือเวลาเราทําบุญเราก็สามารถแบ่งบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เช่นถ้าเราคิดถึงญาติพี่น้องของเราที่ร่วงรับไปแล้วอยากให้เขาได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเผื่อถ้าเขาอดอยากขาดแคลนเขามารอรับส่วนบุญ เราก็สามารถอุทิศบุญให้กับเขาไปได้นี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศการอุทิศบุญให้แก่ผู้ทรงรลบไปแล้วนี่ก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้เราได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปด้วยแล้วบุญอีกข้อหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คืออนุโมทนาบุญเวลาใครเขาทำบุญเช่นวันนี้มีคนจะมาทำบุญที่วัดมาฟังเทศฟังธรรมรรมาปฏิบัติธรรม เราไม่ควรไปขัดขวางเขาแทนที่จะขัดขวางเขาเราควรจะร่วมแสดงความยินดีสนับสนุนเขาถ้าเขาไม่มีรถมาถ้าเราหารถให้เขาได้ก็หารถให้เขามาหรือถ้าเรามาเป็นเพื่อนเขาได้ก็มากับเขาก็ได้หรือว่าถ้าเขาทำบุญแล้วเราไม่มีเวลาว่างจะมาทำบุญกับเขาเราก็ร่วมบุญกับเขาไปก็ได้เป็นการให้กำลังใจกับต่อผู้ทาบุญจะได้เขาจะได้ไม่ท้อแท้ ไม่ใช่ว่าพอก็ทําบุญบอกไปทํำไมเสียเงินเปล่าเปลเสียเวลาเปล่าเปลไม่เห็นได้อะไรเลยอชู้ไปเที่ยวดีกว่าไปชอปปิ้งกันดีกว่าอไปดูหนังฟังเพลงดีกว่าอถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่อนุโมทนาบุญควรจะชื่นชมยินดีสนับสนุนการทาบุญของผู้อื่นถ้าเราเป็นเจ้านายเขาเขาขอลาขอลาไปบวชเจ็ดวันอย่างนี้เราก็อนุโมทนาให้เขาไปบวชได้ ถึงแม้เราจะเสียประโยชน์บ้างเพราะขาดคนทำงานแต่เราก็อยากจะให้เขาได้บุญอยากจะร่วมอนุโมทนากับเขาแล้วเราก็จะได้รับความสุขจากการร่วมอนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วยบุญอันนี้ก็ทำได้ถ้ามีโอกาสแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำไปตลอดเวลาแล้วแต่โอกาสจะมาแล้วบุญขั้นต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือ บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองถ้าเราเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเรามีเวลาพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราอาจจะไม่มีเงินไม่มีทองที่จะช่วยเขาแต่เรามีเวลามีกำลังกายเราก็เอากาลังกายนี้มาช่วยได้ใช่เป็นจิตอาสามาทำงานสาธารณประโยชน์ต่างๆอย่างที่ญาติโยมที่มาช่วย จัดการเรื่องของการแสดงถ่ายทอดสดนี้ก็เป็นการ <c oughs> รับใช้ผู้อื่นนั่นเองรับใช้ศาสนาเพื่อเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้ยอยู่ไกลได้สัมผัสรับรู้การกระทาแบบนี้ก็เป็นการทำบุญสร้างความสุขให้กับใจยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นได้เช่นเดียวกันบุญอีกอย่างหนึ่งที่สงสอนให้เราทากันก็คือ การอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวเราให้ต่ำไว้ดีกว่าทำตัวเราให้สูงเพราะทำตัวเราให้ต่ำแล้วมันสบายสบายใจเจอใครก็อ่อนน้อมยกมือไหว้เขาสบายใจดีกว่าถือเนื้อถือตัวแล้วก็จะทำให้คนเขาหมันไส้นำคาญไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วย เราก็จะไม่มีความสุขเวลาคบค้าสมาคมกับใครเพราะจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยยินดีอยากจะคบค้าสมาคมกับเรานี่คือบุญที่เราสามารถทำได้แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมบุญนี้ก็สำคัญอย่างที่ญาติโยมมาฟังกันวันนี้เป็นการดูแผนที่เป็นการดูว่าเราต้องทำอะไรกัน จากจุดนี้เราจะไปถึงจุดนั้นเราจะไปได้อย่างไรเหมือนเวลาเราเดินทางไปที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องดูแผนที่ก่อนว่าจากจุดนี้ไปเราจะต้องขึ้นถนนสายไหนไปถึง จ, จุดหมายปลายทางได้การศึกษาธรรมการฟังธรรมก็เป็นแบบนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อให้เราได้รู้จากเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ด้วยการฟังธรรมแล้วขั้นต่อมาก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องการมีความเห็นที่ถูกต้องก็คือการเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกฎแห่งกรรมนี่เป็นของจริงการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นจริงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงนี่ก็คือสิ่งที่เราควรจะมีถ้าเรายังไม่มีเรายังสงสยัย เราก็ควรศึกษาทำให้มากๆศึกษาพระธรรมไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ <c oughs> รู้ว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงสารลกทุกๆพระองค์นี้ยืนยันกันทุกพระองค์ว่ากฎแห่งกรรมนี่มีจริงนรกสวรรค์มีจริงบุญบาปมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงให้เราเรียนรู้กันแล้วข้อสุดท้ายก็คือการ เผยแผ่ธรรมการให้ธรรมะแก่ผู้ถ้าเรามีธรรมะเรารู้ธรรมะข้อใดถ้ามีคลสนใจอยากจะรู้เราก็แบ่งปันให้เขาได้สอนเขาได้สอนให้เขารู้จักทางที่จะพาให้ชีวิตเขาจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลสะสมทรัพภายในให้กับจิตใจของพวกเราเพราะร่างกายของเรานี้วันหนึ่งจะต้องตายไป แล้วจิตใจของเรานี้จะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์ก็เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศก่อนที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศได้นั้นเราต้องเตรียมการไว้ก่อนเราต้องทำหนังสือเดินทางเราต้องไปทำวีซ่าขอใบอนุญาตเข้าประเทศเราก็ต้องเตรียมเงินตราเอาติดตัวไปเราจะเอาเงินที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยไปใช้ต่างประเทศไม่ได้ จันใดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจของเราก็จะต้องอยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์นี้ก็ใช้เงินอีกแบบหนึ่งโลกทิพย์เงินที่เราใช้ในโลกทิพย์ก็คือบุญกุศลนี่เองที่เรากำลังศึกษากันอยู่เหล่านี้สิบข้อนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเงินทองที่เราสามารถนำเอาไปใช้ได้เวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วเราต้องรีบสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้รีบเตรียมตัว ทำหนังสือเดินทางเตรียมตัวตีตั๋วเครื่องบินทําวีซ่าแล้วก็เตรียมเงินเอาติดตัวไปเอาทรัพย์ภายในไปไม่ว่าจะเป็นเทวทรัพย์ก็ดีพรหมทรัพย์ก็ดีอริยทรัพย์ก็ดีก็เกิดจากการทําบุญชนิดต่างๆเหล่านี้บุญนี้ถ้าจะแบ่งก็อาจจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆเรียกว่าบุญหลักกับบุญเสริมก็ได้บุญหลักนี้ก็มีอยู่สี่ ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็ทําทานอย่างสม่ําเสมอรักษาศีลตลอดเวลาแล้วก็ภาวนาทุกวันทุกเวลาเท่าที่เราจะสามารถทําได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางอันนี้เป็นเหมือนอาหารหลักที่เราต้องรับประทานทุกวันเช่นเราต้องรับประทานข้าวรับประทานกับข้าวทุกวันแต่อาหารเสริมนี่เราอาจจะรับประทานบ้างก็ได้ไม่รับประทานบ้างก็ได้ เช่นผลไม้ของหวานบางทีก็ไม่มีโอกาสจะได้รับประทานก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้มีข้าวกินมีกับข้าวก็ยังพออยู่ได้จนในบุญเสริมก็คือบุญที่ไม่ใช่บุญหลักนี้เช่นการอนุโมทนาบุญการอุทิศบุญการรับใช้ผู้อื่นการอ่อนน้อมถ่อมตนการการมีการเผยแผ่ทำให้แก่ผู้อื่น อันนี้เป็นบุญที่เราทำเมื่อมีโอกาสแต่บุญที่เราจาเป็นจะต้องมีนี่อยู่มีห้าข้อด้วยกันนอกจากทานศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องมีสัมมาทิฏ ฐ, ฐิความเห็นชอบต้องจำให้จดจำว่ากฎแห่งกรรมนี่มีจริงทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วอันนี้ไม่ใช่ดีชั่วทางร่างกายนะแต่ดีชั่วทางจิตใจ ไม่ได้ดีด้วยราบยศสารเสริญสุขหรือเร็วด้วยราบยศสารเสรินสุขแต่ดีด้วยพบชาติต่างๆอันนี้ดีอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำดีได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆทำชั่วได้ไปอาบายชั้นต่างๆแล้วก็มีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นที่จะต้องอตัดภพตัดชาติด้วยการ ปฏิบัติบำเพ็ญจิตตภาวนาในขั้นระดับวิปัสสนาภาวนาแต่ต้องมีสมถะภาวนาเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็มีเนคขมมะเป็นผู้สนับสนุนสมถะมีศีลห้าสนับสนุนเนคขมมะมีทานสนับสนุนศีลห้าตามลําดับขึ้นไปถึงจะทําทให้เราสามารถขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงเพื่อตัดพบตัดชาติ เพื่อสิ้นสุดการเวีนว่ายตายเกิดได้นี่คือภารกิจหรือสิ่งงานต่างๆที่เราควรจะกระทำกันด้วยการคอยตรวจตาคอยถามถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวล า, ผ, าผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำงานที่พระเจ้าส่งมอมให้พวกเราทำกันหรือว่าเราม่แต่ไปทาเรื่องที่เหลวหลเรื่องที่ไร้สาระต่างๆ เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้หรือไปทำเรื่องที่เป็นโทษแก่จิตใจของเราเรื่องที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากที่จะให้ชีวิตจิตใจของเรนี้มีการพัฒนาให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้ความทุกข์น้อยลงไปตามลาดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไป นี่คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาลิวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกักปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิดเมวะสมิจโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทนาสีดิสะนิจังวุธาปจายโนยตาโรธรมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรได้ยินั้ยได้ยินนะใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามด้วยตัวเองก็ได้เขียนเขียนใส่ข้อความส่งเข้ามาทางกระดาษหรือทางทาง e b o o k กก็ได้ YouTube ก็ได้ถ้าอยากจะถามเองก็เข้ามารับไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยถ้ายังไม่มีเดี๋ยวให้ทางวันนี้รายงานผลก่อนว่ามีคนติดตามเท่าไหร่ กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ผู้ติดตามทางเฟ e บุ๊กมี499ท่านเจ้าค่ะ YouTube 274ท่านเจ้าค่ะด r v c h a n ร e l 122ท่านเจ้าค่ะวิทีโออนไลน์6ท่าน c l ับ h o u ส e 13ท่านเจ้าค่ะ ผู้มารับฟังที่หน้ากุฏิมีหนึ่งร้อยห้าสิบท่านเจ้าค่ะรวมเป็นหนึ่งพันหกสิบสี่ท่านเจ้าค่ ะ, ะ, ะถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยมีคำถามจาก YouTube นะเจ้าค่ะจากคุณ power note ค่ะกราบขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับ การที่ไม่ยึดติดกับกายกายเป็นธรรมชาติเป็นธาตุเกิดดับคือการวางอัตตาตัวตนส่วนความมานะถือตัวเป็นขั้นละเอียดที่ต้องพิจารณาเพื่อละวางต่อไปกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับก็บองต้นต้องวางกายให้ได้ก่อนต้องไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกาย ไม้ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนแล้วถึงค่อยไปวางเรื่องตัวตนในจิตใจความคิดของเราความรู้สึกนึกคิดว่าเรายังมีเรายังเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ยังสูงกว่าเขายังต่ำกว่าเขายังเท่าเขาอยู่ล่านี้เป็นเรื่องของที่ปัญญาต้องเร็วขึ้นตรงเพราะว่ามันเป็นนามธรรมามองไม่เห็นชาติเหมือนกับร่างกาย คำถามต่อไปจากคุณมาริวเปอกราบนมั ส, สการเรียนถามพระอาจารย์ว่าการทำประกันชีวิตโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัวถือเป็นทานไหมคะเพราะปัจจุบันไม่มี ร, รายได้จากการทำงานคะ่ะก็เป็นทานอย่างหนึ่งเพราะเราต้องจ่ายเบี้ยรประกันการจ่ายเบี้ยรประกันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำทานไปแนละ้ว พอาะแนที่จะเอาเงินไปซื้ออะไรให้กับเราเราก็จ่ายเป็นเบีย้ยประกันไปอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าเราตายไปเขาก็จะได้รับเงินจากเราจากประกันแต่เราได้บุญแล้วได้บุญในขณะที่เราจ่ายเบีย้ยประกันไปส่วนเงินที่เขารับจากบริษัทประกันให้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีส่วนรับรู้แล้วเพราะเราตายไปแล้วคำถามต่อไปจากคุณความเงียบ กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องอธิษฐานบารมีเจ้าค่ะและถ้าหากว่าเวลาเราทำบุญแต่แต่ละไม่อธิษฐานขออะไรจะเรียกว่าเราไม่มีอธิษฐานบารมีด้วยหรือไม่เจ้าคะคือคำว่าอธิษฐานนี่เราเข้าใจผิดกันนะเพราะว่าคำอธิษฐานตามภาษาที่พูดเจ้าทรง ใช้ในความหมายคือความตั้งใจตั้งใจที่จะทําอย่างอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าอธิษฐานส่วนที่เราก็มาเข้าใจว่าเป็นการขอเนี่เป็นการเข้าใจผิดใช้เราใช้คําอธิษฐานผิดจากความหมายแท้จริงความหมายแท้จริงคือคนเราจะทําอะไรให้สําเร็จได้นี้ต้องมีความตั้งใจก่อนเช่นตั้งใจเป็นดับเตอร์อย่างเงี้ย ถ้าไม่ตั้งใจเป็นด็อกเตอร์มันก็ไม่สนใจที่จะไปเรียนหนังสือถ้ามีความตั้งใจว่าอยากจะเป็นด็อกเตอร์มันก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนเพื่อที่จะได้สําเร็จเป็นด็อกเตอร์ได้งนั้นคําว่าอธิษฐานนี่คือความตั้งเป้าหมายให้กับตัวเราว่าเราต้องการไปทิศทางไหนเช่นตอนที่พระเจ้าทรงนั่งประทับอยู่ที่ ที่ที่โคนต้นโพลก็ทรงตั้งจิตสัจจะอธิษฐานว่าจะไปนิพพานถ้ายังไม่ถึงนิพพานจะไม่หยุดการภาวนา mm. คือเราต้องกำหนดกาหนดเพื่อบังคับตัวเราเองเพราะตัวเราเองมักขี้เกียจพรกอ่อนแอพอทำอะไรพอไปเจอของยากขึ้นไหนไม่เอาแล้วปลี่นใจน mm. อย่างเวลาปีใหม่นี้มักจะตั้งอธิษฐานกันเยอะนะ อาจจะแรกบุหรี่เลิกเล่าเลิกโกโหกเลิกเที่ยวพ อ, อเวลาผ่านไปสองสาวันเพื่อนมาชวนเที่ยวเชิญมาชวนเราไกินเล่าก็ไปและ้ะแสดงว่าไม่มีอธิษฐานอธิษฐานไม่มีสัจจะด้วยสองอย่างนี้มักจะไปคู่กันอธิษฐานกับสัจจะสัจจะก็คือความจริงใจความแน่วแน่ต่อการตั้งใจเมื่อเราตั้งใจจะทำแล้วเ ร, เราต้องทําให้ได้ถึงจะเรียกว่ามีสัจจะอธิษฐาน ถ้าเราตั้งใจแล้วเราล้มเหลวก็แสดงว่าไม่มีสัจจะไม่มีอธิษฐานก็จะไม่สามารถทําอะไรให้สําเร็จได้ไ น, นั่นเองการที่เราก่อนที่เราจะทำอะไรให้สําเร็จไดน้นี้ต้องมีสัจจะอธิษฐานก่อนพอมีสัจจะอธิฐานแล้วเราก็ต้องมีวิริยะความภาคเพียรมีขันติความอดทนเพราะว่าเวลาทำอะไรแล้วเดี๋ยวไปเจอความยากลําบากก็ไม่อยากจะทําหรือบางวันขี้เกียจอยากจะเที่ยวอยากจะนอน ก็จะไม่ไปทำงานที่เราต้องทำมันก็จะทำให้เราไม่สไม่สำเร็จได้แต่ถ้าเรามีความขยันถึงเวลาก็ทำอยารู้สึกขี้เกียจก็ไม่ไม่สนใจทำมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปบอกถึงเวลาทำงานก็ต้องทำอันนี้คือการมีอธิษฐานนี่หมายถึงว่าเราต้องตั้งเป้าหมายเช่นการทำทานนี้เราก็ตั้ ง, งว่าต่อไปนี้จะทำทานทุกวัน เช่นสมมุติเข้าพรรษานี่เราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะใส่บาตรทุกเช้าตลอดระยะเวลา3เดือนถ้าเราไม่ตั้งตั้งใจไว้เราก็จะทําบ้างไม่ทมําบ้างแล้วแต่อารมณ์บางวันตื่นเช้าอยากจะทําก็ทําบางวันตื่นไม่อยากจะตื่นเช้าก็ไม่ได้ทําอย่างนี้ก็จะไม่ได้ทําสิ่งที่ดีได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเราก็จะสามารถบังคับตัวเราเองให้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ ถ้าเราไม่ทำก็รักแสดงว่าเราโลเลไม่มีสัจจะใจยังใจยังไม่มั่นคงต่อความอันทิฐานของเรายังต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะสามารถบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราควรจะทำได้คำถามต่อไปจากผู้รับฟังหน้ากุฏิคะ่ะมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งผู้เป็นอัลไซเมอร์จิตอยู่ที่ใด อ, อจิตมันอยู่ที่เดิมของมันน่มันจิตมันอยู่ในโลกคิดมันเพียงแต่ส่งก ร, กระแสของวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายส่วนอาาัลไเมอร์นี่มันอาจจะเป็นเรื่องความผิดปกติของการทำงานของร่างกายที่ไม่สามารถส่งข้อมูลต่างๆไปให้ใจได้กายก็เลยลืมลืมคนนั้นลืมคนนี้ลืมรูปนั้นลืมรูปนี้ได้แต่แต่มันอีกส่วนหนึ่งก็มีอยู่ที่ใจด้วย ใจก็มีสัญญาความจาความจานี้ก็อาจจะจาแล้วก็ลืมได้เหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่ไหนกันแนะ่เป็นที่ร่างกายหรือเป็นที่ใจหรืออาจจะเป็นทั้งสองสองที่ด้วยกันมีส่วนะสมกันก็ได้คาถามข้อที่สองทำใจได้ว่าสังขารมิใช่ของเราแต่เป็นความเข้าใจยังไม่เป็นผู้รู้ ควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรก็ลองให้มันอย่าให้ข้าวอย่าให้มันกินข้าวสักสามวันเสร็จร่างกายไม่ใช่ของเรามันจะอดก็เรื่องของมันสูทาได้ไหมถ้าท um> ําได้ก็แสดงว่าเราตัดได้ในระดับหนึ่งตัดเรื่องการกินได้นะไม่ให้มันกินมันไม่ใช่ตัวเราของเราเวลาร่างกายกินเราไม่ได้กินกับมันนะเราเป็นใจเป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองผู้รับรู้ว่าอาหารเข้าไปในร่างกาย แต่เราไม่ได้กินนะร่างกายเป็นคนกินอย่นถ้าร่างกายไม่ได้กินเราก็ไม่ได้อดเราก็ยังเราก็ไม่จําเป็นจะต้องกินเพราะอาหารของร่างกายไม่ใช่อาหารของเราอาหารของเราคือความสงบเราก็ทําใจให้สงบเราก็อิ่มร่างกายหิวเราก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าปล่อยกายได้หรือไม่ในระดับง่ายๆก็คือลองกดข้าวดูถือสิงแสดูสักวัน ก, นก่อนก็ได้ไม่ต้องมาก ถ้าถือสินแปดได้แล้วก็ลองกินมือเดียวดูมือเดียวได้แล้วก็ลองอดวันเว้นวันดูเพราะำไปเรื่อยๆดูซิว่าจะปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่ต่อไปเวลามันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องไปทําอะไรมันให้มันหายเองมันเป็นเองให้มันหาเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปล่อยวางร่างกายคําถามจากเฟซบุ๊กค่ะจากคุณแพมเบบี้บอสกราบนายวัชการพระอาจารย์ค่ะ ลูกขอเรียนถามว่าการที่เราจะไม่ให้ติดสุขติดทุกจะเริ่มต้นอย่างไรคะอ๋อคือติดสุขติดทุกนี่มันให้ติดได้แต่ให้ติดสุขที่มันไม่มีพิษมีภัยก็ติดสุขจากการทำบุญทําทานสุขที่เกิดจากการรักษาศีลสุขที่เกิดจากการภาวนาสุขแบบนี้ติดได้ไม่มีพิษมีภัยแต่อย่าไปติดความสุขจากการ ไปเที่ยวยนี่อย่าไปติดกับความสุขการดรเสบรูปเสียสงกิ่นรสชนิดต่างๆอันนี้เป็นความสุขที่มีพิษมีภัยเพราะเวลาไม่ได้เสบแล้วมันจะดิ้นมันจะทรามายเหมือนคนติดยาเสพติดคำถามต่อไปจากคุณนัทพลกราบถามพระอาจารย์ครับกระผมได้เห็นชัดเจนว่า กายกับจิตไม่ใช่อันเดียวกันตอนที่เข้าห้องผ่าตัดดมยาสลบแล้วเวทนาไม่มีเลยเงียบไปเลยเริ่มรู้สึกเจ็บเวทนามาหลังจากฟื้นขอาการถามพระอาจารย์ตอนที่เงียบไปตอนสลบคือจิตเราเป็นสมาธิใหม่ครับตอนนั้นลุ้นว่าจะฟื้นกลับมาใหม่ด้วยครับกลัวออกจะ ครัวจะออกจากล่างไปเลยครับอ๋อยังไม่เป็นสมาธิหรอกถ้าเป็นสมาธิต้องมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้าไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกอะไรเลยนี่ก็แสดงว่าสลบสลายไปหมดสติไปเหมือนนอนหลับคำถามจาก youtube จากคุณอยู่กับปัจจุบันกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะครูบาอาจารย์ที่บรรลุแล้วไม่ต้องถือศีลใช่ไหมคะ ก็ท่านไม่ได้ละเมิดอะไรเศีษฐท่า น, นก็รักษาเหมือนเดิมแต่ท่านไม่ต้องมาคอยเฝ้าเหมือนเราเพราะไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นให้ท่านไปทำผิดศีลเพราะตัวที่กระตุ้นคือกิเลสตัณหาไม่มีคนเราที่ทำผิดศีลเพราะมีกิเลสตัณหามีความอยากได้นั้นได้นี่พอไม่สามารถทำด้วยวิธีที่ถูกต้องได้ก็ไปทำโดวยวิธีไม่ถูกต้องแต่ท่านไม่มีความอยากได้อะไรแล้วก็ไม่จะไปทำผิดศีลทําไมให้เสียเวลาเปล่า คำถามจากคุณสวยๆกราบน้ำมัสการค่ะการถวายเทียนพรรษาควรต้องตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรเจ้าคะก็ขอให้ได้ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำเอยอะๆคำถามจากคุณชัดคาวาสกี พระอาจารย์จบจากวิศวะจากอเมริกาและเดินทางไปท่องเที่ยวมาแล้วทั้งอเมริกาและทั่วยุโรปเพราะเหตุใดพระอาจารย์ไม่ยึดติดกับความเจริญทางตะวันตกแล้วหันออกมาบวชแทนครับว่าบรรดความทุกข์ไม่ได้ดับความกังวลต่างๆไม่ได้ยังวิตกกังวลเี่ยวู่เรื่องอดอยากขาดแคลนเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายอยู่ แต่ให้ไปเที่ยกกี่ครั้งกี่รอบมันก็ยังไม่มาสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้แต่พอปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มเห็นว่า อ, อเริ่มเริ่มกำจัดความทุกข์ได้เบื้องต้นก็กำจัดแบบชื่วข่าวไปก่อนแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆใช้ปัญญาพอถึงขั้นปัญญาแล้วทีนี้สามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรเลยจะไม่มีความทุกข์ของเนื้ออยู่ในใจเลยไม่ไม่ทุกขกับอะไร คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะไม่คิดตังค์เพราะจ่ายแล้วไม่ใช่อะไรไม่ต้องกังวลนะคนถามไม่ใช่คนโง่นะคนถามคือคนใฝ่ธรรมใฝ่รู้ฝ่ศึกษายั้นถามได้ไม่ต้องอายอย่าไปคิดว่าเราต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ต้องมาที่นี่แล้วที่นี่ก็เป็นที่แหล่งเรียนความรู้ต่างๆนั่นเองถ้าเรายังไม่รู้ก็ถามได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ถามได้มีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะปล่อยให้กลับบ้านนะ <c oughs> มีจากเฟ c e b ๊ o เจ้าค่ะจากคุณมีนากราบนรัสการค่ะ อยากกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าสมัยก่อนเคยมีเพื่อนมาขอความเห็นเรื่องธรรมะเขานั่งสมาธิไม่ได้ยังชอบไปงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่ค่ะเลยบอกเขาไปอันดับแรกต้องฟังธรรมะก่อนเพื่อเป็นแผนที่ใจให้เกิดความเข้าใจ ถูกต้องเลยแนะนําให้เขาฟังธรรมของพระอาจารย์แต่ปรากฏว่าวันนี้เขาบอกลองฟังแล้วฟังไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกหอเหี่ยวหดหูโฮโฮโฮดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าเพราะสาเหตุอะไรคะแล้วเราควรแนะนําเขาต่อไปอยังไงดีเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะก็อาจจะเป็นเหมือนกับ อาหารที่ไม่ถูกปากเพราะว่าอาหารนี่มันมีหลายหลายรสชาติด้วยกันอาหารแบบหวานก็มีแบบเค็มก็มีแบบเผ็ดก็มีถ้าไปรับประทานอาหารที่ไม่ถูกจริตกับเรามันก็อาจจะเกิดอาการแพ้ได้ดันี้นก็ลองไปลองอาหารแบบอื่นดูลองศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าดูก็ได้ mm hmm. เช่นไปอ่านพระสูตรต่างๆ อันนีน่าไม่อ่านก็คือมองคลระสุดลองไปศึกษามงคลสาสบแปข้อด้วยกันอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่จะพาให้จิตใจเรานี้มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงลองไปค้นหาดูมงคลสาสิบแปดอยู่แล้วก็ลองดูที่ว่าเราสามารถปฏิบัติตามได้หรือไ ม, ม่ข้อหนึ่งก็คือไม่ให้คบคนโง่ให้คบคนฉลาดนีอาศัวนาจะบาล า, านามฑิตานันจเสวนา ปูชาจะปูชนียานางเอตมังกลมุตตังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเช่นบิดามารดาปุยอาตายายคูบาจารเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้การไม่คบคนชั่วคนโง่ก็คือถ้าคบกับเขาเขาก็าชวนเราไปให้ทําความชั่วให้คบคนฉลาดคบคนดีเขาก็จะชวนเราไปทําความดีกันอันนี้ตัวอย่าง คำถามจาก youtube ค่ะบุญกุศลจากการสวดมนต์กับการทำอานาปนานสติแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะได้ความสงบ ม, มากน้อยต่างกันส่วนมนต์นี่จะได้ความสงบน้อยกว่าการนั่งทำสมาธิอานาปนานสติแต่ถ้าสติไม่มีกำลังพอก็ยังนั่งอนะทำอนาปนานสติไม่ได้ก็ต้องอาศัยการสวดมนตไปก่อน จากว่าจะมีสติมีกำลังมากที่จะนั่งดูลมหายใจเข้าออกได้ก็เป็นการปฏิบัติคนละระดับกันแต่เพื่อผลนัเดียวกันคือความสงบของใจคำถามต่อไปเจ้าค่ะขณะสวดมนต์มีอาการขนลุกเกิดจากสาเหตุใดเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วจะปฏิบัติตัวอย่างไรเจ้าค่ะก็เขาเรียกว่าปิติไง เวลาจิตได้สัมผัสกับธรรมก็ทำให้เรื่งความรู้สึกมีความสุขมีความปิติขึ้นมาได้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็สวดต่อไปไม่ต้องไปยึดไปติดกับปิตินั้นเพราะว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเดี๋ยวแล้วก็หายไปผลจากการปฏิบัติเราต้องการความสงบจากการสวดกาสวดต่อไปให้จิตสงบนิ่งแล้วจะจเย็นจะสบาย คำถามจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะการฝากใส่บาทจะได้รับบุญไหมครับปัจจุบันมีบริการรับฝากใส่บาทหากไม่สะดวกไปเองสามารถฝากใส่บาทได้ไหมครับได้ถ้าเป็นเงินของเรานะถ้าฝากปากเปล่าก็ไม่ได้บุญนะพี่ช่วยใส่บาทให้หน่อยต่ไมฝากกันเขาไปเขาก็้างเขาใส่ก็เป็นบุญของเขาเป็นเงินของเขา คำถามต่อไปจากคุณทิพย์ทิพย์รบกวนสอบถามค่ะคนที่อยากฆ่าตัวตายมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างไหมคะก็มันเหมือนกับผลไม้ที่มันสุก ง, งามเต็มที่แล้วแหละจะไปกันกไม่ให้มันร่วงจากต้นไม้นี่มันยากต้องแก้ตั้งแต่ตอนต้นก่อนที่จะคิดฆ่าตัวตายต้องให้เขาเข้าหาธรรมะก่อน ให้เขามีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็จะป้องกันได้แต่พอไปถึงขีดที่จะฆ่าตัวตายแล้วนี่ก็ยากแต่ก็ยังทำได้อยู่ก็พยายามปลอบใจเขาอะไรเขาต่างๆให้ความเมตตากับเขาให้กำลังใจกับเขาแต่ถ้าก็ยังยังอยากจะเล่นอยากจะตายอยู่็ไม่รู้จะทำยังไงคําถามต่อไปน้อมกราบนายมัสการเจ้าค่ะคําถามค่ะ กว่าจะถึงเรื่องปัญญาที่ไม่ทุกข์หลักๆจะเป็นพิจารณาความไม่เที่ยงไตรรักให้ได้แนบใจใช่ไหมคะเพราะเวลาที่เจอความทุกข์เจอข้อสอบมันไม่ง่ายเลยเจ้าค่ะทั้งที่ปฏิบัติธรรมมานานเจ้าค่ะน้อมกับนวัตการขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงแข็งแรงเจ้าค่าะก็ต้องพยายามฝึกสมาธิให้มีอุเบกขาก่อนแล้วพอเจอ เรื่องราวของความทุกข์ต่างๆก็จะมีกําลังที่จะสู้กับมันได้ถ้าไม่มีก็จะถูกความทุกข์นี้พุ่มห่อจุตใจเดือดเลียนจิตใจจนกระทั่งไม่มีความอยากจะอยู่ต่อไปถ้าเรามีสติมีสมาธิมีวเวทขาใจเราจะนิ่งเฉยกับความทุกข์ต่างๆได้คําถามต่อไปจากคุณมาลีฟังเทศย้อนหลักกับฟังสด ได้บุญเหมือนกันใหม่คะกราบขอบคุณหลวงพ่อค่ะได้เหมือนกันอะอยู่ที่การฟังไม่ได้อยู่ที่สดเรือหรือไม่สดเนีอยู่ที่ว่าเราฟังด้วยสติหรือไม่ฟังแบบทัพพีในหม้อแกงหรือฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงก็จะได้ประโยชน์รู้รสชาติของธรถรมรสรสชาติของแกงถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงนี้จะไม่รู้รสของธรรมที่เราฟัง เพราะใจเราลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อยู่กับธรรมที่เราฟังเองคำถามจากดรว h ชา n นลค่ะข อ, อนอามสกุลกราบเรียนถามเจ้าค่ะตามคำแปลบทสวดมนต์ที่ว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดหมายถึงอะไรเจ้าคะก็เหมือนกับเพลงอ่ะเวลาเราฟังเพลงไพเราะก็ไม่ไพเราะเป็นยังไงเพลงไม่ไพเร า, า, ราะเราฟังแล้วก็รำคาญหูใช่ไหมถ้าฟังเพลงที่ไพเราะเราก็ชื่นสุดชื่นเบิกบานธรรมะของพระพุทธเจ้าก็แบบนั้น ถ้าได้ศึกษาธรรมของพุทธเจ้ารจะมีความรู้สึกสดชื่นเหลืบบานเหมือนได้ฟังเพลงที่ภายราะมีแคําฐานจาก Dr. V Channel สามีภรรยาชาวต่างชาติแยกทางกันอยู่ทางพฤติในแต่ไม่ได้ยาขัดยังคบกับฉัน <c oughs> เพื่อน <c oughs> และไม่ขัดข้องที่ต่างคนไปมีคนรักใหม่ กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าทั้งคู่และคนรักใหม่ผิดศีลข้อที่สาไหมคะแค่นั้วแต่ว่าเขาถือว่าเป็นเป็นของกันด้วยกันหรือไม่ถ้าไม่ถือว่าเป็นของกันและกันถือว่าเป็นเพื่อนร่วมร่วมหลับนอนบ้านเดียวกันส่วนจะไปเที่ยวนอกบ้านไปนอนกับใครก็เป็นเรื่องของเขาต้องไม่ถือว่าผิดศีนลนะ คำ ถ, ถามจาก Facebook ค่ะจากคุณทัญชนกเมื่อเราเห็นความโกรธอารมณ์โกรธเกิดขึ้นมองมันตั้งอยู่และเห็นมันดับไปทันปัจจุบันขณะคือวิปัสสนาแท้จริงใหม่ใช่ไหมคะคือมันการเห็นการสิ่งที่เกิดตั้งอยู่ดับไปมมนต้องเห็นสิ่งที่มันสะเทือนใจเราเช่นอยู่ดีๆเงินสองหมื่น 20, หายไปอย่างนี้ แล้วดูซิว่าเห็นมันตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหรือเปล่าเฉยๆได้หรือเปล่าแต่ถ้าไปยินเสียงนกมันน้าคลิ๊กๆแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่มีผลกระเทาะผดจิตใจมันดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องดูสิ่งที่มันปรากฏแล้วทําให้เราทุกหรือสิ่งที่มันหายไปแล้วทําให้เราทุกเช่นอยู่ดีๆแฟนก็เสียบายบายไปแล้วแล้วดูซิว่า เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหรือเปล่าจันวนั้นเองคําถามจาก Youtube เจ้าค่ะขณะนั่งสมาธิแล้วตัวหายต้องทําอย่างไรต่อเจ้าคะให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันหายให้อยู่กับพุทธุต่อไปดูมมหายใจต่อไปไม่ได้ไปสนใจคําถามจาก Youtube, เจ้าค่ะ ถ้าเรารับรู้และเห็นคนที่ทําผิดศีลแล้วเราไม่ว่ากล่าวตักเตือนเราจะบาปใหม่เจ้าค่ะถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ไม่บาปถ้าหน้าที่ของเราเราก็ต้องทําต้องตักเตือนเขาเพื่อเพื่อเขาจะได้ไม่ทําซ้ำซากคําถามจากคุณวรนุชเจ้าคะ่ะกราบในมัสการเจ้าคะ่ะบุญจากการร่วมสร้างโบสถ์กับปล่อยสัตว์จากการฆ่าได้บุญเหมือนกันไหมเจ้าคะ่ะ บุญก็คือความอิ่มใจสุขใจก็เหมือนกันแต่อา น, นิสงส์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรก็ไปเหมือนกับไปต่อชีวิตให้กับเราหรือว่าพบหน้าชาติหน้าเร า, า จ, จะไปเป็นสัตว์แล้วมีคนเข้ามาจับเราไปปล่อยก็ได้อนี้ถ้าสร้างบุญสร้างเจดีย์นี่ก็เป็นเรื่องที่ชาติหน้าเราอาจจะมีเจดีย์มีโบุญให้อยู่อาศัยก็ได้ คำถามจากคุณวิทิชัยกรบนรรมสการครับจิตที่รู้สึกถึงอัตตาเป็นคราวๆเมื่อสติเกิดขึ้นมันคืออัตตาอะไรครับการปรุงแต่งของใจใจปรุงแต่งว่ามีอัตตาในตัวมีตนคำถามจากยูทูบเจ้าค่ะคุณแม่กับ โยมมีนิสัยที่แตกต่างกันมากอยู่ด้วยกันก็จะรำคาญกันและกันเสมอถ้าแยกบ้านกันอยู่และดูแลเขาเมื่อเขาคงต้องการความช่วยเหลือแบบนี้ได้ไหมได้ได้ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วกัดกันก็อย่าอยู่ดีกว่า <laughs> คำถามต่อไปรูปฌานกับอรูปฌานต่างกันอย่างไรเจ้าค้าขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าคะ่ะต่างกันที่ความละเอียดความสงบของจิตก่นละระดับกันรูปฌานนี่หยากกบกว่าอรูปฌานอารูปฌานละเอียดกว่ามีความสุขมากกว่าคําถามจากคุณละ อ, องอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะการ บรชบบ ร, ระหว่างการทำหน้าที่ของบิดามารดาที่ต้องคอยอบรมสั่งสอนบุตรกับการปล่อยวางซึ่งถ้าบุตรไม่ได้ดั่งใจก็จะทำให้เป็นทุกข์ก็ทำในส่วนที่เราทำได้หน้าที่ของเรามีหน้าที่บอกเขาว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกเราต้องทำอันานี้ส่วนก็อย่าทำตามที่เราพูดหรือมานนเราไปหวังไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้ ถ้าเขาทำตามได้ก็มันก็ดีสำหรับเขาถ้าเขาทำไม่ได้มันก็เป็นโทษกับตัวเขาเองเราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาเพราะเราทำอะไรไม่ได้ทำให้เขาไม่ได้คำถามเอาแล้วเจ้ค่นนะ<ม>ก็ดีละ<ม>เวลาก็พอสมควร<ม>ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรเรนาไปปฏิบัต